มาจากไหนครับมาจากกรุงเทพครับนะใครแนะนำมาคพคุณเฉลิมพงดีแล้วนะทำไปได้ไปได้แล้วเหี้ยงเป็นไงเหี้ยงสงวนบ้านอาจารย์ยังอยู่ไหมอาจารย์จารย์ต้อยนะอทำได้ยัง <laughs> นี่รู้สึกตัวนะ เวลาเราปฏิบัติเราชอบไปดูนะพอมีอารมณ์อะไรเกิดที่เราชอบไปดูแล้วเราก็ถลําลงไปดูคล้ายๆเราตามจ้องเข้าไปนะเราไม่ตามนะเราดูอยู่ห่างๆคล้ายๆเราอยู่ไกลๆนั่งดูนะ อ, ยอย่าอย่าไหลเข้าไปข้างในส่วนมากเวลาเราปฏิบัติพอเรารู้อารมณ์อะไรเนี่ยจิตเราจะไหลาตามอารมณ์เข้าไปนะอย่าไห ล, ไไหล น, น, นลนะ้ลืมตัวจิตไม่ตั้งมั่น นะขาดขาดความรู้สึกตัวไปงั้นให้เราถ้าเราไม่ไหลไปเราจะสักว่ารู้จะสักว่ารู้ไปก็เห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะไม่เกี่ยวกับเราแต่เวลาสังเกตดูเวลาพวกเราปฏิบัติพอเราเห็นอะไรแปลกปลอมเราจะจ้องไว้จ้องแล้วจับตรงไปนะแล้วก็ตามมันไปเรื่อยๆคล้ายๆอย่างเคร เ, เคยนั่งรถไฟอะไรเงี้ยนะเวลาเราดูออกนอกหน้าต่างรถไฟ เราดูไปเรื่อยๆดูไม่ได้อถ้าดูแล้วตาเราชอบไปจับภาพอะไรไว้อันหนึ่งแล้วก็มันจะมองตามไปแล้วเดี๋ยวค่อยดึงตากลับมาดูใหม่มันจะตกจากปัจจุบันไประยะระยะไปไปเกาะไว้กับอา ร, รมณ์อันเดียวเก่าๆนั้นแหะเราต้องการเห็นลักษณะเราไม่ได้ต้องการเห็นตัวอารมณ์เราต้องการเห็นลักษณะของอารมณ์ว่าผ่านมาแล้วผ่านไปเกิดแล้วดับ นี่ส่วนมากเราจะคุ้นเคยที่จะดูตัวอารมณ์ให้ชัดๆเจออารมณ์แล้วจับมันมาจ้องไว้มันอุตสาห์หนีไปแล้วอุตสาหดูตามมันอีกอตามมันซีอีกเะนั้นคล้ายๆต้องการรู้ตัวอารมณ์ให้ชัดๆที่จริงการจเจริญมิตัศสนาเราต้องการรู้ลักษณะให้เห็นว่าทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปก็พอแล้วทีมนี้มาจากไหนกันเคยมาไหมไม่เคยฝึกมาจากไหน เคยฝึกไหมใครแนะนำมาที่นี่ทำไมรู้จักล่ะเคยไปฝึกไหมแล้วฝึกที่ไหนออฝึกใี่วัดตาที่ต้องถามนะเพราะว่าแต่ละคนฝึกมาคนละแบบเวลาเรียนก็เรียนไม่เหมือนกันหรอกถ้าคืนเรียนเหมือนกันเดี๋ยวพีกันตาย แล้วพอเราฟังของคนนี้นะฟังธรรมะสำหรับคนนี้เราเอาไปทำอะไรเนี้อาจจะไม่เหมาะกับที่เราเคยฝึกมาเดี๋ยวสับสนเฮียงเลยเฮียงว่าไงมีอะไรเป็นไงบ้างมันดีขึ้นมันก็เสื่อมได้เนาะเคยนาเก่งเคยฝึกไหมคเนี้เคยปฏิบัติที่ไหนไหม หลวงปู่ก็รู้สึกตัวเป็นนะหาพระโพธิสัตว์ที่รู้สึกตัวเป็นเนี่ยหายากหายากส่วนใหญ่พวกเราปฏิบัตินั้นเราจะทําสมาธิได้เป็นหลักนั่งเพ่งนั่งจ้องสลําลงไปหลงลงไปอย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอกต้องรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้ไม่ลงไม่เบลอสมาเคยเจอ ท่านถี่ตอนนั้นยังไม่ได้ศึกนะหลวงปู่เดินมาก็รู้สึกตัวเป็นรัาตามมาตั้งเยอะไม่เป็นสังองนี่ <c oughs> <c oughs> เราเรียนเราเรียนให้ได้แก่นนะเรียนให้ได้แก่นสารแก่นสารของการปฏิบัติธรรมนะี่เราต้องจับหลักให้แม่นแม่ น, มนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะเราลืมสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราสอนซะ ก, ก่อน เพราเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราประกาศตัวเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมาม ก, กะเราก็ต้องเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ใช่อาจารย์เราสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติเนี่ยมีสองงานสองระดับระดับหนึ่งเป็นหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติก็มีนิดเดียวยคือเรื่องอริยสัจให้บอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละ นี้โรธทําให้แจ้งมักทําให้เจริญนี่หลักของการปฏิบัติถ้าการปฏิบัติอะไรหลุดออกนอกหลักของการรู้ทุกแล้วก็ผิดพลาดนะ้เช่นปฏิบัติเพื่อจะละทุกนี่ผิดนะถ้าปฏิบัติแล้วไม่ละสมูทใคอยากอยากปฏิบัตินั่งผิดอีกแล้วบางคนไม่ยอมรู้ทุกคือไม่รู้กายรู้ใจรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจอยากรู้นิพพานเี่ย อยู่ก็กําหนดจิตให้มันว่างๆจะไปรู้นิพพานนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแต่สอนบอกให้รู้ทุกคือรู้กายรู้ใจไปนี้หลักการปฏิบัติคือรู้ทุกได้แก่รู้กายรู้ใจการรู้ทุกนั่นแหะคือการเจริญมรรคถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งสมูทไทก็ถูกละสมูทไทถูกละไปนี่โรคก็ปรากฏเพะนั้นหน้าที่ของเราที่เรียกว่าเจริญมรรคก็คือการรู้ทุกนั่นเองวิธีรู้ทุกพระพุทธเจ้าสอนมหาสฏิปัฏฐาน สอนสติปัฏฐานรู้ยังไงรู้แบบตามรู้นะกายานุปัสสนาตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจนะิตานุปัสสนาตามรู้จิตคำว่าตามรู้เนี่ยมันบอกอะไรเราหลายอย่างอันหนึ่งก็คืออย่าไปจ้องไว้ก่อนส่วนมากพอเราลงมือปฏิบัติเราเริ่มจ้องไว้ก่อนทําใจทื่อๆซึมๆนะจ้องอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์ นัปฏิบัติจำนวนมากชอบเข้าไปแทรกแซงเช่นเวลาเดินเคยเดินธรรมดาก็เดินให้มันผิดธรรมดาเคยหายใจธรรมดาหายใจมาแต่เกิดไม่เหนื่อยนะมากําหนดลมหายใจปรเดี๋ยวเดียวเหนื่อยแนะ้วที่เราเข้าไปแทรกแซงเราเป็นดัดแปลงอารมณ์นี่ไม่ใช่เรื่องรู้ทุกข์แล้วเรื่องเข้าไปแทรกแซงทุกข์แล้วเพรนันหน้าที่ของเราตามรู้กายตามรู้ใจอย่าดักไว้อย่าเพ่งไว้อย่าจ้องไว้อย่าเอาไปคิดการคิดก็ไม่ใช่การตามรู้ แต่ว้าเฝ้ารู้ลงไปร่างกายเนีย่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันบังคับได้หรือบังคับไม่ได้ดูลงไป era, จิตใจคงที่ไหมเที่ยงไหมเป็นทุกข์หรือเป็นสุขหรือว่าบังคับได้หรือไม่ได้เเฝ้ า, า, ร, า, ารู้ลงไปตามรู้ลงไปตรงๆนี่เรียกว่าการตามรู้นี่อนุปัสนากายานุปัสนาจิตานุปัสนาตามรู้ลงไป เพราะฉะนั้นถามว่าพวกเราตามรู้กายรู้ใจได้ไม่รู้ได้ทุกคนแหะแต่ไม่ยอมรู้ถามว่านั่งอยู่นี้รู้ไหมว่ากําลังนั่งอยู่อย่างการรู้กายรู้รูปยืนเดินนั่งนอนใครก็รู้ว่านั่งอยู่แต่ไม่ชอบไม่ชอบรู้นั่งอยู่นี้ใจชอบหนีไปที่อื่นการตามรู้กายมีหลักนิดเดียวพระพุทธเจ้าบอกกายของเธอตั้งอยู่ในอาการยังไงรู้ว่ามันอยู่ในอาการอย่างนั้น เราจะ ม, มือเราจะกระดุกกระดิ๊บอะไรเนี่ยรู้สึกตัวไว้ท่านสอนยิริยาบทใหญ่ก็คือกายอยู่ในอาการยังไง ร, รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นยิริยาบทย่อยคือตัวสัมชัญญะบบจะคูจะเหยียดจะเหลยวซ้ายแลกขวาจะดื่มจะกินขับถ่ายอะไรพวกนี้ท่านบอกว่าให้มีความรู้สึกตัวไหมทำด้วยความรู้สึกตัวนี่เท่านี้แหละเรียกว่ากายานุปัสนาตามรู้กายไปเรื่อยๆ อย่างเราเห็นว่าเออนั่งเฉยๆนั้งไม่ได้เดี๋ยวก็ทุกข์ความทุกข์เบียดเบียนก็ต้องกระดุกกระดิกใช่ไหมรูปไม่เที่ยงแนละ้วรูปทนอยู่ uhh. ไม่ได้รูปเป็นทุกข์บังคับให้มันอยู่กับที่ได้ไหมบังคับไม่ได้หายใจเข้าแล้วไม่ให้หายใจออกได้ไหมเขาไม่ได้ใช่ไหมหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็าไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างนี้รูป บ, รบังคับไม่ได้รูปเป็นอนัตตาจะตามรู้ไปเรื่อยๆเป็นใจยอมรับความจริงว่ารูปเป็นอนัตตา ในจิตใจล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายถามว่าใครบ้างไม่รู้ใครบ้างดูไม่เป็นไม่มีหรอกนะถ้าเรารู้ไม่เป็นเราจะไม่รู้จักเลยว่าความสุขเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงจิตใจที่มีความสงบเป็นยังไงจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตที่โกรธเป็นยังไงจิตที่โลภเป็นยังไงกลัวเป็นยังไงรักเป็นยังไงเกลียดเป็นยังไงนะกังวลเป็นไงนี่รู้จักทุกคนเห็นไหมอิจฉาริษยารู้จักทั้งนั้นแหละ เรารู้จักสภาวธรรมได้อยู่แล้วทั้งรูปทั้งนามแต่เราละเลยที่จะรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่มีแค่ตามรู้ไปนะกายอยู่ในอาการยังไง ร, รู้ไม่เผลอไม่เพลินจิตใจอยู่ในอาการยังไงก็รู้ทันมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้อย่างพวกเรามานั่งฟังตอนนี้สังเกตไหมใจเราไม่เหมือนตอนที่ก่อนจะมานั่งฟังใจเราตอนนี้นิ่งรู้สึกไ้ตอนนี้ใจแต่ละคนมันนิ่ง นะยกเว้นบางคนนะัะใจลอยนะอย่างคุณวุฒินี่ใจลอยไปใจมันนิ่งๆรู้ว่ามันนิ่งใจมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเข้ารู้ลงไปในที่สุดเราก็จะเห็นความจริงว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลง no ตลอดเวลานี่เห็นความจริงแล้วเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งเพ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งคิดจะเป็นการตามรู้ความจริงว่ากายก็บังคับไม่ได้จิตก็บังคับไม่ได้ ใครเห็นว่ากายกับจิตซึ็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยสักกายทิฏฐิก็จะขาดสักกายะทิฏฐิคือความหลงผิดความเห็นผิดนะว่ากายกับจิตคือตัวเราหมายถึงบังคับได้สักกายะทิฏฐิขาดเนี่ยก็สมมุติเรียกว่าเป็นพระโสดาบันนั้นเราปฏิบัติธรรมเรารู้เป้าหมายนะว่าเอาอยากปฏิบัติอย่างน้อยต้องเอาพระโสดาตั้งใจไว้อย่างนี้แต่อย่าอยากแล้วก็ไม่ทํานะ อยากเป็นพระโสดาลก็ต้องรู้ว่าพระโสดาณนัละปะกยทิ่ฐิและความเห็นผิดว่ากายกับจิตเป็นตัวเราแต่ละความเห็นผิดได้ก็ต้องเห็นถูกแต่เห็นถูกได้ก็ต้องตามรู้ไปว่าจริงๆมันเป็นยังไงตามรู้กายตามรู้ใจตามรู้ก็รู้ได้ทุกคนะนะไม่มีใครรู้ไม่ได้หรอกอย่าไป น, นึกว่ามันลึกลับยากเบื้องต้นเลยหัดรู้ไปเลยตอนนี้สุขหรือทุกข์หรือว่าเฉยๆนะ จิตใจตอนนี้หนักหนักหรือจิตใจตอนนี้เบาเบานียใครๆก็รู้ได้นะเขารู้ไปนี่หลักปฏิบัติมีเท่านี้เองนอกนั้นเป็นเรื่องอุบายละเช่นจิตฟุ้งซ่านจะทำยังไงให้สงบเลยในเรื่องของสมถะละจิตมีราคะจะแก้ยังไงเรื่องของสมถะละไม่ใช่เรื่องตามรู้ความจริงแล้ะหรือจะเดินนะบางคนมาถามผมอยากเดินจงกรมจะเดินท่าไหนดี มาก็บอกว่าโอ้พ่อแม่สอนให้เดินท่าไหนก็เดินท่า น, นั้นแหละนะเดินด้วยความมีมีสติเดินด้วยความรู้สึกตัวไม่ เ, เดินรงกลมนะเดินกลับไปกลับมาแล้วนั่งเพ่งเพ่งนะเอาใจไปอยู่ที่ขาขากระดุกกระดิกเพ่งอยู่ที่ขาอย่างนั้นไม่ใช่เดินรงกลมหรอกนั่นเดินทำสมถะนะไม่ได้เดินทำวิปัสสนาเมื่อคนถามจะ ต, ต้องนั่งสมาธิไหมอันนี้ก็ไม่เข้าใจอีกแล้ว สมาธิต้องทําทุกอิริยาบถไม่ใช่ทําตอนนั่งหมายถึงว่าจิตใจของเราต้องรู้สึกตัวไว้จิตใจตั้งมั่นไม่หลงไม่เผลอพอใจเราไม่หลงไม่เผลอใจเราตั้งมั่นเนี่เรามีสติอยู่ทุกอิริยาบถจิตใจตั้งมั่นมีสมาธิอยู่ทุกอิริยาบถไม่ใช่ทําสมาธิตอนนั่งนั่งอยู่ใจตั้งมั่นเช่นบางคนนั่งพุทโธเนี่ยมาจากวัดตากนั่งพุทโธ สวัสด์อาจารย์คเวสโกก็นั่งหายใจใช่ไหมกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะลมหายใจเนี่ยทํำพิพิธนายากเราเอาไปยิงกับกรรมฐานอย่างอื่นก็ไปได้เช่นเอาไปยิงกับเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาอย่างนี้จะง่ายขึ้นเช่นเราหายใจไปหายใจไปหายใจไปจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายรู้ว่ากระสับกระส่าย หรือหายใจไปแล้วจิตเกิดกิเลสหายใจไปแล้วเกิดสบายเพลิดเพลินมีความพอใจในี่กิเลสเกิดแล้วราคะเกิดหรือหายใจแล้วฟุ้งซ่านจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจหายใจเป็นแค่เหยื่อล่อเพื่อจะมารู้เท่าทาันจิตใจของตนเองอย่างนี้จะทําง่ายกว่าอา้าวทำอะไรล่ะหลงไปดูล้วอย่าถลําลงไปดูนะ รู้อยู่ห่างๆรู้อยู่สบายๆไม่ไม่ไหลเข้าไปเมื่ขี้ไหลเข้าซ้ำออกซ้ำไหมดูออกไหมนะอย่างนั้นไม่เอาอย่างนั้นหลงนี่เรียหลงปฏิบัติหลงดูนะดูสบายสบายเห็นเข้ามาแล้วเข้าไปไม่เกี่ยวกับเราคล้ายๆเรานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยเห็นคนเดินถนนเห็นคนนี้สวยงามเดินไปเออก็ช่างเขาเดินไปนะเห็นคนบ้าเดินมาเออคนบ้ามาเราอยู่ในบ้านนะไม่วิ่งตามเข้าไป หรือไม่งั้นคล้ายๆไปดูอะไรในบ่อ น, น้นําล้วชะงกลงไปชะงกเลยขมาลงไปขลังลงไปไ ม, ไม่เอาอย่างนั้นตัวอยู่ห่างๆเอาคุณมนทําอะไระคิดรู้ว่าคิดตกนะคิดอะไรไม่สําคัญคิดเรารู้ว่าคิดตกแล้วพอแล้วเมืกัดปฏิบัติง่ายๆไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเป็นไงภาวนาเป็นไงอืออืม มากระต้มใช่ไหยเคยมาใช่ไหมคนนี้อืม ร, ร, รู้ตัวได้แล้วก็รู้อีกเนาะอย่ารู้วันเดียวรู้ไปเรื่อยๆจิตใจเป็นไงรู้ทันมันอย่าไปบังคับมันพวกที่รู้ตัวได้ในวันที่หนึ่งนะพอวันที่สองก็เริ่มบังคับอนะ่ะรู้สึกไม่มีการกระทํา จิตใจของเราเนี้ยเราไม่ใช่รู้ตามที่มันเป็นแล้แต่เรามีความตั้งอกตั้งใจจะรู้อะไรเงี้ยโยนมันทิ้งไปเลยความตั้งใจจะรู้เนี่ยรู้ไปตามสบายใจสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ใช่ใจสงสัยเราคิดใจิตใจเป็นไงรู้ลงไปตรงๆว่าเป็นอย่างนั้นรู้สบายๆอย่าตั้งใจมากนะตั้งใจมากเดี๋ยวคอเครียดเออหนะาต้องอย่างนี้ ไม่เหมือนกันดูออกไหมนะอย่างนั้นหลงนะที่นั่งทำอย่างเงี้ยนะทามากๆคอเคล็ดไปเลยเออต้องอย่างนี้ลูกผิดเพี้ยงเป็นไงบ้างอะไรนะแล้วไปต่อแต่มันทำไมล่ะเวลาเห็นสาวๆแล้วใจมันชอบรู้ไหมอย่าสูว่าตามองเห็นสาวเนี้ยใจมันชอบอะ รู้ไหมบางคนบอกรู้นะสาวไปทําอะไรรู้หมดเลยนะไม่อย่างนั้นไม่ได้นะง่ายๆการปฏิบัติง่ายจะตายไปตามมองเห็นสาวใจมันชอบรู้ว่าชอบอยากไปจีบเขารู้ว่าอยากจีบอะไรง่ายๆรู้ไปอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ตามมองเห็นสาวใจชอบใอจชอบเพราะเลยเขาเป็นโครงกระดูกโคลกับโลกเน่าเหม็นอย่าชอบเลยนะ อย่างนั้นเจ็บกดเนะ <c oughs> ว่าไงเป็นไงบ้างหืมดวงอ่ะเป็นไงบ้าง <c oughs> เอ้าทำไมไม่ทราบล่ะรูกระดิกรู้ไหมออทําไมไม่ทราบคุณนะดูจิตไม่ได้รู้กายกายเคลื่อนไหวรู้ว่ามันเคลื่อนไหวนะไม่ใจลอยก็แค่นั้นเองง่ายตายไป เนี่ยพยักหน้าทราบว่าพยักหน้านง่ายๆแค่นี้แค่นี้ก็ตื่นแล้วะโบเป็นไงโบมากับใครแล้วพี่โยเป็นไงพี่โยรีบหลบเลยดูพี่โยกลบหลังคุณนิรันด์บางมิตร น, ะ, นะเอียงไงเงน้นอยู่ในห้องเรียนนะกับบรรยากาศโยเป็นไงมั่งโย เออไหนดีฟังแล้วชื่นใจมีกิเลสเยอะไหมอนุโมทนา <c oughs> บางคนปฏิบัติแนละ้วโอ้ดีฉันไม่มีกิเลสเลยตายหลงน่สิมัน <c oughs> จะไม่มีได้ยังไงไม่ใช่ภูมินี้ไม่มีกิเลสกิเลสเกิดบ่อยลรารู้ว่ากิเลสเกิดบ่อยนะแสดงว่าเรารู้ตัวเป็นเราดูทันกิเลสเกิดแล้วเราดูไม่เป็นเราก็บอกไม่มีกิเลส รู้จักใจลอยไหม hmm. ที่มาจากวัดอาจารย์คาเวสโกเนี่ยรู้จักใจลอยไหมนั่นใจลอยคือสิ่งที่ตรงข้ามกับสติใจลอยก็คือเผลอไปขาดสติไปหนาที่ของเราจะฝึกให้มีสติอย่าใจลอยนะพอใจลอยแล้วรีบรู้วัยวัถ้าฝึกได้ตรงนี้นะการปฏิบัติจง่ายที่สุดเลยเอ้าวว่าไงเราอะ ไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยเออส่งกันบ้านสิรีบส่งซ ก, ก่อนเดี๋ยวจะมาส่งนอกรอบไม่ใช่พวกเนี้ยทีมนี้ประวัติไม่ดีเออสัญญาไม่เที่ยง เออนึกไม่ออกช่างมันนะปะัจจุบันเป็นยังไงอะไรนะมันอะไรไม่รู้ตัวนะน อ, อือเออเออาถ้าทาไม่ทิง้งมันทิ้งได้เพราะไม่ทาเห็นไม่ถึงสอนบ่อยๆว่าอย่าทำนะ เป็นปล่อยทิ้งไปจิตเราก็ตื่นขึ้นมาเห็นไหมภาวะแห่งความตื่นี้กิเลสจะเกิดไม่ได้เลยมันง่ายเป็นยาบอเออนะอนุโมทนาที่โง่มันนานแสดงว่าหายโง่แล้วใช่ไหมอืมนั่นแหละทําบ่อยๆรู้ไปถึงสอนไงบอกให้ตามรู้กายรู้ใจไปสบายๆไม่ทําอะไรนะ ต้องให้โบเล่าว่าทำอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ว่าเออใช่เออก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่ปรุงแต่งก็ไม่หนักนะจิตก็สว่างพรุงขึ้นมา ไม่ใช่สิคนละเรื่องกันเลยเพีธีเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรไม่ได้นั่นเป็นกรรมของเรา <c oughs> ทำไมเราจิตเร า, าต้องไปแอบสอบใช่ไหมรับไปรับกรรมไปม มันแก้ไม่ได้ด้วยถึงรู้อยู่ก็แก้ไม่หลกแก้ไม่ออกอ่ะรู้ไปแก้ไม่ได้ก็จิตมันจะรู้อ่ะจะไปห้ามมันได้ยังไงก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่จิตเป็นอย่างนั้นอืมอ้าวไม่ใช่หลวงอาพูดนะหลวงปู่เทศบอกเคยไปเรียนท่านโอ้ยผมลําบากเลยเกินคนคิดถึงนั้งก็กระเทือนละ เข้าใกล้ใครก็บางทีพวกอิดหัดจิตมันว่องไวไปนี่ใช่ไหมเกินไปลนะมีคําว่าเกินไปไปถามท่านว่าจะทํำยังไงดีท่านยิ้มหวานเลยบอกว่ามันยังไม่แก่กล้าพอ <c oughs> ถ้าแก่กล้าพอแล้วมันทิ้งไปเองเห็นไหมว่าทําไม่ได้แต่ทั้งเรื่องแค่นี้ยังทําไม่ได้เลย ไม่มีอะไรที่ทําได้นะอืมอืมอื ม, อมเป็นเยอะเลยเหมือนที่่วงโปงเขียนไว้บอกคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่ยึดรูปก็ต้องยึดนามต้องยึดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะพอจะปล่อยสองมือนี่นะกลัวละ มันจะกลัวตกเหวอะเห็นยืนอยู่ริมเหวต้องคอยเกาะพอปล่อยมวนนี้ไม่กล้านะปลายมันไปเลยมันตกลงไปเมันกลัวรู้ว่ากลัวเห็นไหมกลั ว, ลวก็ไม่เที่ทงยงทำอะไรได้ละ่ะถ้าคืนทำก็หนักท ำ, ทำไม่ได้ เถ้าใครเรียนแล้วจนถึงคำว่าทําไม่ได้นะเออเริ่มเข้าเข้าใจแล้วเันวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องทําอะไรวิปัสสนาแค่รู้ตามที่มันเป็นาตามที่กายเป็นตามที่ใจเป็นไม่ใช่ทําอะไรเนี่ยนักทาต้องถามโบให้โ บ, โบมันนักทำทํามานึกว่าเจ๋งมาหาหลวงอาคุณอาค้าหนูทําถูกก็ยังไม่ถูกหรอกนะเออนี่ยเป็นแค่สตูด เออช่วยไม่ได้อยากรู้ช้าก็ลำบากมากจำของใครก็ของคนนั้นเนาะแล้ ว, วมันไม่ใช่โลกุตตะละจิตจโอ้ไม่เฉียดเลยคนละเรื่องเลย <c oughs> อย่าไปคิดว่าเฉียดนะ <c oughs> เห็นไหมเราแค่เห็นว่าจิตมันมีอาการยังไง <c oughs> เห็นว่าบังคับมันไม่ได้ จะเข้ารู้ลงไปเรื่อยๆในที่สุดจิตมันสรุปข้อเท็จจริงได้ว่าร่างกายจิตใจเป็นขอที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา น, นั้นถึงจะรู้ธรรมตอนนี้เราแค่เห็นจิตใจแล้วมีบทเรียนนะเออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นนไไดให้มันมีบทเรียนไปเรื่อยๆดูอยู่ไกลๆตัดว่าดูะไม่ตามเหมือนเขา้าตรงไหนปูเก้เป็นไง ชื่อปูเป้หรือเปล่าอาจารย์หายไปไหนแล้วอาจารย์อาจารย์สอนอนาปปนาสติถ้าใครจะมีอะไรถามเชิญนะวันนี้มาหลายสำนักรูจะพูดยังไง ไม่ใช่ไม่ใช่สั่งทมํมามากหลุดได้คือเห็นว่ารูปนามเนี่ยบังคับไม่ได้เห็นตรงนี้อัน น, น, อ น, นั้นหลุดด้วยภาวนาภาวน า, ภาวนาหมายถึงว่าสะสมเอาสะสมไปแล้วค่อยๆล้างอนุใสไปอย่างจิตของเราเคยโกรธคนไหนเคยโกรธแล้วชอบที่จะโกรธก็จะโกรธบ่อยๆ ต่อไปเราเรามีสติเร็วขึ้นพอเห็นความโกรธปับรู้ตัวขึ้นมาเนี่ยความโกรธทํางานไม่ได้อนุสัยของความโกรธเนี่ยค่อยๆอ่อนลงค่อยๆถูกล้างไปให้มันเล อ, อกไปแล้วก็ค่อยถูกตัดทีเดียวทีหลังพาาสิํสาารสเร็จพราะ ท, ทำไปแล้วนะอย่างพอได้ยินพระพุทธเจ้าสอนบอกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ เขาฟังแล้วเขารู้เลยว่าอ้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ของเราไม่เอาของงั้นนะพอเราได้ยินเราก็คนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์มีคนขึ้นมาเลยเพราะเราไม่เคยเจริญสติเห็นว่าไม่มีคนมีแต่รูปกับ น, นามนี่นผิดกันตรงนี้เองอ้ า, า, า, อ แ, า, อาอแล้วอาจจะบารมีมากก็ได้รอไปเป็นสาวกพระศรีอาร อาจจะปรารถนาขอเป็นเอตทักคะองค์หนึ่งไม่ใช่บารมีน้อยนะบารมีเยอะมันอยู่ที่คุณภาพของจิตอย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความรัดลากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ความโศกความร่ําไรราพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์แล้วขมวดท้ายให้หน่อยหนึ่งว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าคือทุกข์ขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนั่นแหละคือตรวจทุกข์ไม่ใช่คนทุกข์ถ้าสรุปตัวนี้เขาฟังตรงนี้อ๋อไม่มีคนมีแต่อุปาทานขันคือขันที่ถูกยึดไม่มีคนหรอกดูลงไปโอ้จริงๆไม่มีคนเลยขาดไยได้โสดา ของเราฟังฟังคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนอหกหักคนตกงานเป็นทุกข์เนี่ยมีคนเยอะแยะเลยท่านว่าวาโดยย่ออุปาทานขันท่าคือทุกข์อันนี้ไม่ฟังตรงนี้ขอไม่ฟังกล้วกันฟังไม่รู้เรื่องนะที่พระพุทธเจ้าสอนเลยไม่มีคนอ้าวใครจะถามอะไรเชิญเนาะ ไอ้นั่นตำราว่าอย่างนั้นนะฮะทไมต้องตายเขามาไปถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่จริงหรือเปล่าเรื่องเนี้ยยที่ว่าบรรลุพระอรหันตนะ์น่ะเป็นฆราวาสเนี่ยต้องตายในเจ็วันหลวงปู่ก็ตอบเออตำราเขาว่าอย่างนั้นแล้ว <c oughs> บอกแล้วจริงๆริงเหรอครับ <c oughs> เอาจริงๆรล่ะท่านบอกว่าโอ้พระอรหันต์น่ะยังไม่มีเลยพระอรหันต์ยังไม่มีเล ย, ย, เลยคือ ไม่มีคนที่เป็นพระอรหันต์ถ้าบรรลุพระอรหันต์ไม่คิดเรื่องเกิดเรื่องตายหรอกพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะไม่มีพระอรหันต์นี้ตําราเขาว่าไว้อย่างนั้นเนาะคือไปไปดูตัวอย่างมาอย่างพระเจ้าสุทโธทนะอะไรเงี้ยเจ็ดวันอะไรเงี้ยคือพวกที่บรรลุพระพายะอะไรเงี้ยบรรลุแล้วก็นิพพาน พระพุทธเจ้าก็พูดเองพระพุทธเจ้าพูดเองว่าผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ควรจะเป็นคารวะมีทางเลือกสองทางที่เหมาะสมอันนึงนิพพานอันนึงคือออกบวชเคยบอกพระเจ้าปิมีศานอย่างนี้บอกว่าไม่สมควรแบบที่จะเป็นคาใจเราะว่่าแควะอยู่ตอืนนอตอมเดีย๋ยวคนก็เดินสะดุด <laughs> คือพระพุทธเจ้าก็บอกบอกไว้อย่างนั้นว่าไม่ควรจะอยู่คือพระนางพระนางเขมาใช่ไหมพระนางเขมาบรรลุพระอราหันต์เป็นมาเหตสีพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารหลอกให้มาวัดอุสาห์ไปจ้างนักดนตรีแต่งเพลงชมพระเชตวันเอ๊ะพะอะไรพระเวรุวันชมเกิดอยากมาดูอะไร แต่เดิมไม่ยอมมาเข้าวัดหรอกพอได้ยินพระพุทธเจ้าตรีเทียนคนที่รักสวยรักงามท่านักสวยรักงามนี่รวมตัวมาวัดมาฟังธรรมก็บรรลุพระอรหรันต์จ้าพิมพิสารก็มาเฝ้าคุยว่าเขาบอกว่านี่บร ร, รลุพระอรหันต์แนะไม่ควรจะเป็นคารวะสิ่งที่คู่ควรก็คือไม่นิพพานไปก็ออกบวชให้เรื่องเอาใจเอาอยัางไงพระพิมพิสารก็บอกให้บวชก็แล้วกัน คือถ้าพระพุทธเจ้าให้เลือกสองชัยนะว่าให้ครองเรือนต่อไปหรือให้บวชเนี่ยเดี๋ยวพระเจ้าพิ่พิสานจะให้ครองเรือนต่อไป ที่เราพอใจอย่างนั้นไหมถ้าเราเชื่อว่าทานผลไม้เนี่ยเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ศนะีของเราบริสุทธิ์เนี่ยคิดอย่างเงี้ยจิตก็สงบง่ายตั้งมันง่ายนะแค่เราคิดว่าเออสีเราบริสุทธิ์เนี่ยก็เป็นสีลานุสติขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าทานอย่างนั้นแล้วปฏิบัติได้ก็ภาวนาปฏิบัติไปทานไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขัน ที่จิต เ, เราจริตเราเจริญสติไปจิตมันแหม่ทานเนื้อสัตว์มาแล้วมันหนักยังเลยจิตใจไม่กับพี่กระปรารู้ว่าจิตไม่กับพี่กระปร่ำนี่ปฏิบัติแล้ว น, ะน่ะแล้วไปทานผลไม้แหมใจเบากายเบาใจเบ า, เบ า, เบามีความสุขยังรู้ว่ามีความสุค น, นี้นี่ก็ปฏิบัติแล้วแต่ถ้าทานผลไม้มาแล้ว แ, ล visa, แม้มันเบามันเบิก บ, บานมีความสุขแล้วเพลิดเพลินนี่ไม่ได้ปฏิบัตินะหลงผิดละ พระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ได้เน้นว่าให้ทานอาหารอย่างไรแต่เน้นอยู่ที่ว่าให้อยู่ง่ายเรื่อ ง, ง่ายยิ่งเป็นพระ น, นี่เลือกมากไม่ได้ก็ขอเขากินอาหารมันมีสีอาหารนะอาหารที่ทานเข้าไปนี่อาหารอย่างหนึ่งอาหารอีกสามอย่างก็มีเป็นอาหารทางใจเป็นเวชนามโนสัญญะเบชนาคือความจงใจ ลรงเรียนอาหารชนิดอื่นบ้างเนาะนแค่อาหารเจยอย่างเดียว <c oughs> นั้นมันอาหารหนึ่งในสี่ตัวมโนสัญญเจสนาอาหารอาหารคือความจงใจตัวเนี้ยน่าดูน่าเรียนจงใจจะปฏิบัติจงใจจะดูจงใจจะฟังจงใจจะเพ่งเกิดการจงใจแก็เกิดการกระทํากรรมเกิดความต้องการทางใจแล้วเกิดการกระทํากรรม ถึงบอกว่ามโนสัญญาเจตานาหารนทําให้เกิดการกระทากรรมนะ่เรียนเยอะๆหน่อยนะไม่ใช่แค่กินเจเนาะถ้าถ้าทานเจแล้วสบายจิตใจสบายกายเบาจิตเบารู้เท่าทันว่ากายเบาจิตเบาเออยังไงก็ทําได้ถ้ากเราไม่ได้ทําด้วยความงมงายแต่ถ้าเราคิดว่าเราทานผักแล้วเราจะบรรลุทำง่ายนนี้งมงายนะ เราบรรลุธรรมเพราะการเจริญสติเคยมีพระพุทธเจ้ า, เาที่แสวพวกปลามาบอกอาบน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็จะขึ้นสวรรค์บอกงั้นพวกเต่าพวกปลาไปหมดเลยใช่ๆกันอ่ะนะั้นถ้าทานผักแล้วนิพพานง่ายมักผลง่ายนอนไปก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยวที่เราสตินะมีสติคอยฝึกไปรู้เนื้อรู้ตัวไป ไม่ใจลอยอย่างนี้หลงคิดรู้ไหมเราคิดอยู่ไม่รู้ว่ากาลังคิดเรียกว่าหลงคิดตั้งใจฟังไม่รู้ว่าตั้งใจฟังก็หลงฟังเนี่ยใครรู้ทันจิตเรามีปัญหาทะยานไปทางๆาหูจมูกลิ้นกายใ จ, ใจเราใครรู้ทันไปดูออกไหมจิตแอบไปคิดจิตแอบไปทางาน เอาคนละเรื่องกันนะคนละอ่านกันมีธุระจะต้องคิดต้องเรียนหนังสือต้องทำงานนี่ต้องคิดไปคนละเรื่องกันหรือจะฟังฟังอาจารย์หรือฟังหลวงพ่อพูดเงี้ยต้องฟังให้รู้เรื่องก็ต้องฟังไปคิดไปเรียกฟังเอาความและฟังจเจริญสติเสียงกระทบหูิูไม่ปรุงแต่งเสียงเกินระดับเนี่ยเห็นอีกอันหนึ่ง เราแยกเยอว่าตอนนี้จะทำอะไรตอนนี้มีหน้าที่คิดก็คิดไปบางคนมีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์แล้วบอกอยาเจริญสติรู้นิ้วที่เพื่อนไปตามคีย์บอกว่าเขาไล่ออกจากงานอย่างนั้นอ่ะใครเขาจะจ้างเนาะอืม มันเพราะว่าเราหักเวลานอนออกไปนะกับเวลาที่ต้องคิดเรื่องงานออกไปเวลาที่เหลือเนี่ยจเจริญสปิดได้อย่า ก, กลัวว่าไม่มีเวลาหลวงพ่อไม่เคยกลัวตรงนั้นสมัยก่อนเป็นคารวาสน่ะตื่นนอนขึ้นมาเช้าวันจันร์ตื่นขึ้นมาแหม่ใจแห้งแล้งรู้ว่าใจแห้ง แ, งแล้งเช้าวันศุกร์ตื่นขึ้นมาแหม่มันสดชื่นรู้ว่าสดชื่นนี่ปฏิบัติได้ยอยู่ันเตียงนอน จะทานข้าวโอ้โหอาหารชอบใจมันชอบอาหารมีแต่ของไม่ชอบนี่ใ่แห้งแล้งรู้ทันมันอีกนะออกมาที่ถนนรถว่างวันนี้รถว่างดีใจออกมาเจอรถติดนี่หงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดในเวลาปฏิบัติมีเยอะแยะเลยมีฝรั่งคนหนึ่งมันเคยวิจัยนะเอาคนที่ทํางานในในห้องทํางานอย่างนี้นะ่ะอย่างที่พวกเราทําเนี่ยทํางานความคิดเนะี่ยแล้วมันก็มาจับเวลาจริงจริง อย่างเป็นสตัวเดินเข้ามาที่โต๊ะทํางานยังไม่ได้ทํานะนั่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ทํางานเนี่ยตรงนี้จเจริญสติได้หมดเลยเปิดแปมเปิดอะไรกลางนะเอาหนังสือพิมพ์มาอ่านสักหน่อยจิบกาแฟสักถ้วยเนี่ยยังไม่ได้ทํางานเลยลงมือทํางานนั่งคิดนั่งเขียนนั่งวิเคราะห์หรือติดต่อประสานงานทำประเดี๋ยวเดียวอะ่ะยังไม่ทําอีกแล้วเช่นนั่งทํางานอยู่ใช้แวบไปคิดเรื่องอื่น S 1> <S 1> ตรงนี้ไม่ได้ทํางานแล้วก็เลยวิจัยบอกว่าวันวันหนึ่งควรเราทํางานจริงจริงกนิดเดียวหลวงพ่อจําเวลาไม่ได้ชั่วโมงกวักๆหรือว่าสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ย น, นิดเดียวเอง น, นนี่คือพวกขยันนะแล้วพวกขี้เกียจยิ่งกวันนี้น้อยกว่านี้อีกเพราะงั้นชั่วโมงที่ใช้ทํางานที่ต้องคิดจริงๆมีนิดเดียวนี่เราอย่าเพิดตีความว่า เ, าเราทํางานวันละแปดชั่วโมงไม่มีเวลาปฏิบัติไปแปดชั่วโมงไม่ใช่ อย่าอาจารเนี่อยอาจารย์สอนรู้ผิอ่ะรู้ผิดแหมมันโง่ถาวรสอนไปแชักมุนหิดอย่างเงี้ยงินหิดรู้ว่าหงุนหิดเนี่ยปฏิบัติแล้วไหมขนาดกําลังสอนก็นคืออยู่นี่ก็ปฏิบัติแล้วถ้าเราจเจริญสติเป็นเราจะพบว่าการทํางานของเราไม่ได้ขัดขวางอะไรหรอกถ้าไม่เป็นมิตรอาชีพนะคุณเฉลิมพง ม, มีอะไรไหมอะไรนะ <mm um> เร า, า, เราก็หลุดออกมาจากโลกของความฝันนะ่รู้สึกขึ้นมาผมพงษ์นะดีด um ีเสื่อมบ่อยๆดีนะเห็นว่ามันเสื่อมบางคนปฏิบัติแล้วบาโอ้เจริญถามกี่วันก็เจริญทุกวันเลยนี่อาการหนักแล้ว ใน่ะเสื่อมล้วไม่เห็นว่าไงมีอะไรไหมคุณไม่เคยมาใช่ไหมฝึกมาจากไหนกันเรางูดเทศเหรออ๋อเราฟิดอาจารย์เดียวกันเนาะเรางูดสอนเรื่องจิตกระใจอะไรนะจิตนิ่งใจจิตเบา จิตเบาๆแต่จิตนิ่งๆขอล่างกันจิตนิ่งไม่ใส่อาจจะนิ่งอยู่แต่หนักๆก็ได้นิ่งๆหนักๆไม่เอานะทําผิดแ ล, ล้วหลวงุเทศสาเรื่องจิตกับใจถ้าไหมจิตอั น, นใดใจก็อันนั้นแหละคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่มันต่างกันใจเนี่ยมันสับว่ารู้อารมณ์แต่จิตเนี่ยพอรู้อารมณ์แล้วมันเข้าไปเสวยอารมณ์ไปแทรกแซงไปยินดียินร้าย ฉะนั้นเราลูกผิดหลวงปู่เทศเราไปรู้ทันใจของเราเรารู้ทันจิตใจจิตใจมีความสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์ในที่สุดเราจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตหรอกทีแรกเราก็ว่าจิตเราสุขจิตเราทุกข์ดูไปดูไปโอ้สุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่จิตเป็นเศษสติเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตจิตเป็นแค่คนรู้เฉยๆธรรมชาติที่รู้เฉยๆหลวงปู่เทศเรียก ว, ว่าใจผู้ใดเข้าถึงใจ ก็จะพ้นจากทุกข์จิตจิตไม่ถูกยอมนี่กลับไปเรียนอยู่ที่จิตที่ใจนะลูกศิษหลวงปู่เทพ <Okay. S 1> เอ้าอย่างนั้นไม่ได้นะเรียนอยู่ในความคิดไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ที่จิตที่ใจจิตเราคิดนะคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วไปตามรู้ไปเรื่อยๆ mm hmm. อดูไปเรื่อย เห็เหตุไหมใจเราไม่คงเครียเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่นแหละเรีปฏิบัติง่ายๆง่า ย, า ย, ายนิดเดียวเลยบางคนบอกง่ายนิดเดียวยากเยอะเพราะว่ามันนึกไม่ถึงว่าง่ายคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการทําอะไรยากๆไม่ได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําอะไร นะร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นยงไงรู้ว่าเป็นงั้นเดี๋ยวเขากายกระใจเขาแสดงทำมาให้ดูว่าเขาไม่ใช่ตัวเราอย่าตั้งใจเยอะนะตั้งใจเยอะผิดนะปู่แกเป็นไงทีมเนี้ยือเป็นไงบ้างนะไม่ต้องหันนะเป็นเป็นไงบ้าง <laughs> <อ>ยังไม่ส่งกันบ้าน งานยุ่งแล้วมีความสุขไหมอ่มาเบื่ อ, อรู้ว่าเบื่อ ป, ปฏิบัติเสร็จแล้วไม่ง่ายถ้าเบื่อแล้วโอ้เมื่อไหร่จะพ้นสักทีอย่างนี้ยเรื่องไม่ได้ปฏิบัติถ้าเบื่อรู้ว่าเบื่อเนี่ยปฏิบัติเสร็จแล้วดูไปเรื่อยๆนะความเบื่อไม่ใช่หร่าว่าไงชะอะไรนะ ตื่นเมื่อไหร่ใครจะไปรู้ล่ะนะ <c oughs> บางคนก็ตื่นเร็วฟังประโยคเดียวก็ตื่นมีคนที่เป็นแชมป์ตื่นที่ใช้เวลานานที่สุดอันนี้ยี่สิบปีที่ตื่นช้านะเพราะว่าจีเนียสมากคิดมาก <c oughs> มีมีเยอะแยะเลย ก็แล้วแต่คนนะถ้าจับหลักได้ก็ง่ายจับหลักไม่ได้ก็โอ้โทําำไงก็ไม่ได้เน้ น, น, นกรรมฐานที่เหมาะกับนักคิดก็คือจิตตานุปสนากรรมฐานที่เหมาะกับพวกชอบสงบสบายก็คือกายานาาุปสนารู้กายไปง่ายๆไม่ต้องคิดมากยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไป พวกทรัพคจิตมากเข้ามาดูจิตเนี่จิตวักแวกวักแ ว, ก, ว, ก, ว, ก, วกเปลี่ยนตลอดมีอะไรให้ดูเยอะโยเป็นไงโยนะเอยังช่วยยังอยือเนี่ยดีขึ้นยังอเออทำเมื่อไหร่ก็เจ๊งเลยเ น, <c oughs> <c oughs> นี่ยบางคนมาบอกบอกหลวงพ่อเนี่ยพูดเป็นปริศนาธรรมโอไม่มีปริศนา พูดตรงไปตรงมาเลยนี่เราชาบิดนึกว่าแหมลึกลับซับซ้อนจริงๆเรื่องง่ายอ่าจะสิบโมงแล้วใครมีอะไรคำถามสุดท้ายเชิญที่อย่างคนที่ทำทานใส่บาตรใช่ไหมครับแล้วก็อที่เจดีย์สมกับิที่ตายเงินที่ตายนะีะจะได้รับสิ่ง ก็แล้วแต่ว่าเขาอยู่ในสถานะที่รับได้หรือไม่ได้ะส่วนมากก็อยู่สถานะรับไม่ค่อยจะได้อย่างเขาเกิดเป็นค น, ง น, น, นคเง น, นเี้เขาก็รับไม่ได้เป็นตกนรกอยู่ก็รับไม่ได้เป็นอสูรกายเป็นวิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่รับเป็นเทวดาะเขาก็แค่อนุโมทนาก็ไม่รับถ้าเป็นเปรตอะไรองนี้ขอรับได้แต่ถ้าเขาไม่รู้เขาก็รับไม่ได้ เพราะฉะนั้นโอกาสพวกเราทําได้เองก็ทำเนาะรอคนอื่นอุทิศให้ลําบากนะโอกาสได้รับมีน้อยเราได้รับอยู่แล้ ว, วล ก, ก็ต้องแบบมารอเอาอะไรเงี้ยแบบเปรตยากเช่นเจ้าพิมพิสารเนี่ยมารอเพนะราเขาทําบุญแล้วอ <c oughs> อเอาเขาคนางเขาเป็นมนุษย์ไม่ได้รับ อย่างว่าหนูผู้ยหินน่าแต่คนนี้งมงายนะมีเงินทองไปทําบุญหมดแช่แช่นจนเจริญพงศ์ขั้นตนนิดห่เลยขั้นรูน้อะไรนะอ๋อมันไม่มีอะไรมากหรอกคุณเจริญพงมันนิดเดียวในแค่ที่ว่าคือปกติเนี่ยจิตเราใใคล้ายๆเราฝันอยู่ตลอดเวลาะเราไม่เคยตื่นขึ้นมาเราอยู่ในโลกของความคิดโลกของความฝัน เคิ้มเคลิ้มไปเรื่อยๆนี่เราเกิดไปรู้ทันพ่าจิตมันหลงอยู่ในขนาดนั้นก็ตื่นเลยคนรู้ไปก็ตื่นอะตื่นบ้างหลับบ้างเรแต่หลับเยอะที่หลับหลับเกือบทั้งหมดก็เพราะว่ามีสติไม่เป็นเขาไม่เคยดูแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาหันมารู้รู้กายรู้ใจรู้สบายสบายไม่ใช่เพ่งนะรู้ถ้าเพ่งก็ไม่ตื่นเพ่งไม่ใช่การรู้ ถ, ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ตื่นวันนั้น คืนเมื่อไหร่ก็เปิดบานตรงนั้นเลยต้อมว่าไงต้อมอะไรนะอะไรนะต้อมอ๋อไม่เข้าใจหรอต้องไปดูเอาก็จิตยิดติดไงมันก็เป็นทุกข์แหละ ถ้าไม่ยึดจิตไม่เป็นทุกข์นะคือทุกข์มันมีหลายเกรดทุกข์สุดขีดเลยตัวขันนั่นแหละตัวทุกข์นิพพานที่ละขันอนุภาที่เสสะนิพพานเนี่ึสิ้นทุกข์จริงๆถ้าลาพังไม่มีตัญห า, าไม่เข้าไปยึดถือก็ไม่ทุกข์เพราะตัณหาเหรือแต่ทุกข์ล้วขัน ผู้เจ้าสอนว่าตัวสภาวัตทุอะร้อยหกสิบอย่างนะนะก็คือตัวขันนะั่นแหละคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นสิ้นขันนะถึงสิ้นทุ ก, กข์อาจรอืมเช็คยากนะถ้าไม่เคยตื่นเราก็ค่อยๆฟังค่อยๆ ฟ, ฟังไปเรื่อยๆค่อยๆสังเกตตามรู้กายตามรู้ใจย๋ยวมันตื่นเอง ตื่นแล้วจะรู้เลยว่าตื่นมันเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาเหมือนเรานั่งหลับอยู่อย่างคนทั่วไปในโลกเนี้หลับอยู่ทั้งนั้นแหละเราฝันอยู่กำลังละเมออยู่นี้วันใดภาวนาไปปฏิบัติไปแล้วเกิดตื่นขึ้นมานีจะรู้เลยว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนั่งฝันเอาทั้งนั้นเอยใช่ไหมคุณมนเนี่ยแค่นี้เองก็รู้ขึ้นมานี้แต่ว่าอยู่ๆเราจะไปรู้จักเนี่ไม่รู้จักหรอก ให้รู้ว่ากำลังเผลอก่อนถ้ารู้ว่าตอนนี้กำลังใจลอยตอนนี้เผลอเนี่ยพอรู้ทันเม่อใจลอยนะั้นจะตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแวบเดียวแล้วเราจับไม่ทันหรอกพอเราจะหลงครั้งใหม่อย่างรวดเร็วเลยพอลงอีกรู้อีกพอรู้บ่อยๆดีหลังก็จะตื่นเป็ น, ปนคือมีสติสมชัชยนะ์ยะ น, นี่จิตมีสติมีสัมมาสมาธิมีสมัชัญญารู้เนรู้ตัว จิตไม่หลงจิตไม่ถูกโมหะครอบงำถ้าหากว่าไม่ไม่ต้องกวดน้าไม่ต้องอะไรแต่ถือว่าไม่หลงในในทางนั้นเขาจคือไม่กวดน้าก็ได้แต่ต้องกำหนดจิตให้กำหนดจิตให้เขาหรือเราไม่หลงเราก็ให้สมารู้ได้ตามไปอย่างนั้นก็ได้เรียกว่าทำแบบอภิมัญญาไม่เจาะจง นำไม่ตม้องกวดน้ำเป็นอุบายมันเป็นวัฒนธรรมแขกคนอินเดียแต่ ก, ก่อนเวลาจะให้อะไรก็ต้องกวดน้ำพระเจ้าพิมพิสาลจะถวายวัดเวรุวันก็เทน้ำลงไปอากาศงาา่อยเลยใช่หรือพระในเรสวนนะจะตัดญญิาขานมิจฉกวดน้ำเลยนะจะเลิกครบกับพระามาอุตสารกขวดน้ำด้วยนะ ได้ได้เป็นวิธีทําสมาธิอย่างหนึ่งให้จิตจดจ่อให้จิตจดจ่อทั้งมั่นแล้วก็อธิษฐานจิตเอาแต่อยู่ๆไปกวดน้ําเลยนะตโตเปลตเขาเขาก็ไม่รับหรอกเขาก็ไม่รู้ว <c oughs> ่า น, บบน้ํำมทาันลดทำไ ม, พ ว, ไม <c oughs> พวกนี้มันอายุยืนมันก็คอยตามรู้ตามดูญาติามาอยู่ตรงนี้นน <c oughs> ตามมาทั้งหลายพ่าพุทธเจ้าก็มี คอยรออ่ะแบบคนเราเคยอยู่ด้วยกันมีความสุขอะไรเนี้ยเกยิดไปตกระดมลําบากก็คอยตามดูเขาอะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เขาจะเอาข้าวมาให้กินตามไปด้วย เ, เขาไม่รู้เขาไม่ให้ต า, ตามไปส่วนมากก็ไม่ได้ทำ ถ, ถ้ามีใครให้ก็ อ, อดไปแล้วเพราเป็นภูมิที่ต้องอดเป็ดเป็ดบางอย่างรวยนะ มีสมบัติมากแต่ไม่บริโภคพวกเวมานี้กับเปรมีวิมานอยู่แต่ว่าอดอดอยากเพราะพวกเศรษฐีขี้เหนียวอะ่ะมีเงินแต่ไม่กินอะ่ะมีกัเ็กเป ร, รษที่ใกล้ๆค น, นเลยเปรตที่ไปอยู่ในรูปตัดรูปอะไรเก็ไม่ไรู้เรื่องเปรตงูเปรตหมาเปรอะไรอย่างเงี้ยเขาดับยาก ม, มีในความของเทวดาก็ ม, มี